ก็เลยขึ้นต่อความชอบใจและไม่ชอบใจที่เป็นไปตามตันหามองเห็นความสุขความทุกข์อยู่แค่นี้แต่พอมีฉันทะขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรคราวนี้ก็มีประสบการณ์ที่ได้รู้จักความอยากอย่างใหม่อยากรู้นั่นรู้นี่มองเห็นอะไรอะไรน่าจัดน่าทําให้ดีและพอได้ค้นหาได้ทําก็มีความสุขและความสุขก็มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยไม่รู้จบ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 คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ก็โยงกันหมดถ้าจับจุดที่ว่ามานี้ได้แล้วก็พอมองเห็นกระบวนการพัฒนาความสุขว่าจะดาเนินไปอย่างไรตามรูปเขาที่มองเห็นได้พอเราพัฒนาความต้องการได้เราก็พัฒนาความสุขได้เพราะการพัฒนาความต้องการนั้นเองเป็นการพัฒนาความสุขทีนี้ พอเลื่อนจากตัญหามาขึ้นสู่ฉันทะหรือพัฒนาฉันทะให้มากขึ้นได้ความสุขก็จะเพิ่มขยายมิติออกไปอีกการพัฒนาความสุขก็ก้าวลึกสูงกว้างออกไปทุกด้าน